อุบายสร้างครอบครัวแสนสุขความสุขที่สดชื่นสำหรับครอบครัวคือสามีภรรยารักและเมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี่จุดใหญ่มันอยู่ที่ตรงนี้พยายามปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าระแวงสงสัยซึ่งกันและกันทุกคนให้ตั้งอยู่ในศีลห้าศีลห้าระหว่างเราสองคนนี่แหละ ไม่ต้องไปเอาอื่นไกลถ้าปฏิบัติได้รับรองว่ามีความสุขเยือกเย็นสบายถ้าเราเกิดระแวงสงสัยกันขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะทุกข์เมื่อนั้นอุบายวิธีก็มีแค่นี้ขอให้ปฏิบัติจริงเถอะรับรองว่าสุขจริงๆนอกจากจะสุขแล้วผลพลอยได้ทรัพย์สินเงินทองมันจะค่อยทยอยมาทยอยมาตามบุญบา ร, รมีของเรา กระตุ้นต่อมโลภมาใช้ประโยชน์สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหรือการสร้างความดีเนี่ยคือบาปสิ่งที่เราทําผิดทั้งหลายนี่การฆ่าการเบียดเบียนข่มเหงอิจฉาตาร้อนนี่คือบาปเมื่อเรามีศีลห้าแล้วเราไม่มีสิ่งนี้มันก็ตัดทอนผลเพิ่มของบาป สิ่งที่เราทำต่อไปนี้ไม่ผิดห้าข้อนี้มันก็มีแต่ความดีถ้าใครยังไม่โลภยุใจให้มันเกิดความโลภมากๆเพื่อผลประโยชน์ในงานการของเราหรือชีวิตประจำวันของเราแต่อย่าไปทำผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งพระท่านไปเที่ยวสอนว่าโยมละความโลภเสียละความโลภเสีย เช่นอย่างสถาบันที่เราทำงานหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวอยู่ผู้ที่เขาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขารวยพอแรงแล้วเขาจึงทากิจการใหญ่โตถึงระดับธนาคารได้ล้วแทนที่เขาจะหยุดบางคนอาจจะว่ามันรวยจนกระทั่งไม่มีที่จะเก็บแล้วมันจะโลภไปถึงไหนแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์โดยที่ว่าเขามีความสามารถเพียงใดแค่ไหน เขาใช้ความสามารถของเขาออกมาทำงานทำงานเพื่ออะไรเพื่อสังคมเพื่อโลกเพื่อประกาศความสามารถของเขาถ้ายิ่งเขามีศีลธรรมสมทับเข้าไปด้วยเขายิ่งวิเศษเขาพร้อมทั้งสมบัติอันเป็นวัตถุธรรมพร้อมทั้งสมบัติเป็นคุณธรรมเขายิ่งเป็นผู้ประเสรศิฐ แล้วทีนี้ผลงานที่เขาทำที่มันจะออกมาเนี่ยมันช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหลักการสร้างประชาธิปไตยคือสร้างตัวเองให้มีหลักฐานถ้าเราสามารถสร้างหลักฐานให้ร่ารวยได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นประชาธิปไตยจะผ่องใสขึ้นมาและทีนี้คนเราในเมื่อมันเต็มแล้วมันเหมือนน้าตักน้าใส่ตุ่ม เทใส่เท่าไรมันก็ล้นออกล้นออกทีนี้คนมั่งมีมหาเศรษฐีทั้งหลายเขาก็ล้นออกมาปีหนึ่งหลายหมื่นหลายพันล้านรวมๆกันแล้วหลายหมื่นล้านที่เดียวแหละที่มันล้นออกมาเป็นประโยชน์ส่วนรวมเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อเนี่ยมีแต่นั่งกินบุญของคนอื่นอยากจะทำบุญอย่างเข้าบ้างก็ไม่ได้ทำเพราะมันไม่เต็ม เวลานี้เต็มแล้วถึงไม่ใช่มหาเศรษฐีแต่มันก็เต็มแล้วเต็มทั้งคุณธรรมเต็มทั้งวัตถุธรรมในเมื่อมันเต็มแล้วมันก็ล้นออกมาล้นออกมาไปเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนบ้างเป็นโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถ้ามันพร้อมแล้วมันก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่เพียงเอาชื่อไปลงในใบประกาศทอดพระ ป, ป่าเท่านั้นมันก็ยังได้เงินแสนเงินล้านถ้ามันพร้อมแล้วมันก็ล้นมาเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างนี้แม้แต่เรานั่งอยู่เฉยๆมันก็ยังมีประโยชน์ถ้าหากว่าคนรู้จักเอาประโยชน์จากเราขนาดที่กล่าวถึงชื่อขนาดผีมันไปเข้าสิงคนอยู่จังหวัดภูเก็ตมันยังบอกว่าให้ไปทําสังฆทานกับหลวงพ่อพุทธที่โกราชถึงจะหมดเคราะห์ มันยังบอกอย่างนี้ทั้งทั้งที่หลวงพ่อไม่ค่อยได้ไปภูเก็ตเท่าไหร่นักปีเราหนก็ยังไม่เคยแต่แล้วมันไปเข้าสิงคนโอ้ยจนเนี่ยเคราะหนักต้องไปทาสังฆทานกับหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวันนครราชสีมาอุตสานั่งเครื่องบินมามาทำสังฆทานที่เนี่ย